แต่เราให้การศึกษากระเด็กได้เราให้การศึกษากจิตศึกษาใน3เรื่องชื่อศีลแศิขขาศึกษาเรื่องศีลจิตศิขขาศึกษาเรื่องของจิตนะปัญญาศิขขาศึกษาให้เห็นความจริงของขันห้าของรูปธรรมนามธรรมนี่พอจบการศึกษาจิตได้ศึกษา3เรื่องนี้จบหลักสูตรแล้วจิตบรรลุมากผลเองนะได้ปริญญาเอง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 เจอตุ๊กแกเหรอครับในวันไม่เห็นจะมีอะไรมีแต่ตุ๊กแกครับ <c oughs> ตอนกลางคืนก็มีเหมือนกันครับเมืแบบเสียงตุ๊กแกก็จะก็จะกลัวออมันก็จะระวังตัวเองใครกลัวคื อ, ค อ, คอมีมีความกลัวและเสียง<ซ>เหมือนกันเน<ๆ>ี่ยนะการให้ฆ่าไม่เหมือนกันอย่างเราคนในเมืองได้ยินตุ๊กแกกลัวแล้วถ้าบางคนได้ยินตุ๊กแกน้ํำลายไหลเลยเออไม่เหมือนกันนะอครับ <c oughs> <c oughs> นี่เรากลัวเรารู้ว่ากลัวไปครับ <c oughs>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 แล้วเกิดดับเขาก็หายไป m, ก็เหลือแต่แค่ความคิดกับลมหายใจอืเสียดายด้านไปเกิดความคิดคือแล้วช่วงนี้ที่แบบไม่ทราบจะดูอะไรก็ดูก็เลย ด, ดูแค่ลมหายใจไปกนะ็เห็นร่างกายหายใจไปนะแล้วความรู้สึกอะไรเกิดเขารู้ไปนะดูแค่นั้นนะคะก็รู้กายรู้ใจก็มีเท่านั้นอแล้วดูไปนะ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 ช่วงนี้ปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นโทสะเกิดถี่ขึ้นแต่ว่าสั้นลงครับออืแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นจิตไม่ค่อยเป็นกลางนะฮะชอบถล่อนะฮะก็เลยหันมาภาวนาพุโทโธเล่นๆเลยก็ภาวนาได้ไม่เกินนาทีก็จะเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเดิมดีนะโยมครูบาอาจารย์สอนให้ทหําอย่างนั้นนะโยมพุโทโธเล่นๆไป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 ร้อยห้าสิบสองกลนมัสการหลวงพ่อค่ะจะรบกวนหลวงพ่อเมตตาช่วยสอนเพื่อนนะคะใจดีใจดีช hmm. uh, ่สอนเพื่อนดูสภาวะจิตค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อไม่รวมตัวต้องถามก่อนเพื่อนจี่คนคนเดียวอ่าว่าไปแบบขอสอนเพื่อนหนูมียี่สิบคนละตายเลยสครับน้ำมสการนะครับหลวงพ่อครับถูกบังคับเหรอก็คือ